ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีคณะก็หมายความว่าหมู่สังฆก็เรียกว่าหมู่ถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังเป็นว่าพระเรียกว่าหมู่หมู่เรียกว่าคณะสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉะนั้น คำว่าคณะหรือคำว่าหมจึงเรียกเปิรวมกันเมื่อเร า, เาจะไหว้พระเราก็ว่าสุปฏิปโนพระควตโตสาวกสังโคพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีเราก่าวว่าอย่างนั้น ถึงเราจะกล่าวถึงพระธรรมเราก็ว่าสวากขาโตเพระว่ตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิาพระพเจ้าข อ, อนมัสการกลับไหว้พระธรรมเรียกว่าสวากขาโตเป็นสวากขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสวีแล้วเมื่อเราจะกล่าวไหว้พระพุทธเจ้าเราก็ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธ พระองค์เป็นพระอาหารหันตจ่าสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอ t น้อมกวาดไหว้แอบพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่เราก็คงจะคิดได้ว่าการที่เป็นพระพุทธศาสนานั้นก็คือเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬารองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬา น, นั้นจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งประกอบมากมาย แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักการที่แท้จริงแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนพระพุทธศาสนาจึงได้ย่างยืนมาถึง 2,555 ปี 2,000 กว่าปีเนี่ยไม่ใช่วันสงวันก็เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดแล้ว เ, เพราะว่าพระพุทธศาสนาถึง 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นคำสอนต่างๆจึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่สมควรแก่การที่จะนับถือเนื่องจากว่าเมื่อเราปฏิบัติศาสนาธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วผลก็เกิดขึ้นแก่เราเราสร้างบุญ บุญก็เกิดขึ้นแก่เราเราให้ทานบุญก็เกิดขึ้นแก่เราเรารักษาศีลบุญก็เกิดขึ้นแก่เราเราทำสมาธิภาวนาบุญก็เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆปรากฏการเกิดขึ้นจริงๆบุญก็เกิดขึ้นจริงจริงคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดความจริงขึ้นจึงกลายเป็นสัจจะนะเรียกว่าสัจธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจจะอริยสัจจนั้นเป็นข้อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องการนักหนาเพราะว่าเมื่อผู้ที่มาดําเนินอริยสัจจะแล้วเขาจะพ้นจากทุกท้องพวง อริยสัจจะคืออะไรอริยสัจจะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยได้แก่ตัณหาต่างๆแต่ว่าการมัตสัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอนนี้เรียกว่าพวกสมุทยัยนิโรธคือการดับทุก แล้วก็มักคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทุกนั้นพูดกันโดยย่อไม่ต้องอธิบายกว้างขวางก็ได้แก่ตัวของเรานี่ร่างกายกับจิตใจอันนี้เรียกเวนเป็นตัวทุกข์โดยที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ท่านปัญจวคี์ว่ารูปังผิขเวอนาตาดูก่อนพิสุดทั้งหลายรูปไม่ใช่ตน แล้วกในปริวัติที่สองของอนตัตตลัคนสูตรท่านก็แสดงว่าตังกิงมัญถาภิกเวพเพระเหตุนั้นพิภุทั้งหลายตังกิงมยญถาภิกเวรูปปังณิจังวาอานิจังวะติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวคีก็ตอบว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ แล้วเมื่อเป็นทุกข์ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องแปรปวนไปตามธรรมดาแล้วในปริวัติที่สามพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ารูปังอจิตังอนาคตังปัจจุบันนางรูปั้งในอดีตและอนาคตปัจจุบันสะพังรูปังรู ป, รปั้งปวงเนตังมะมะเนโซหัมัสมิน้าเมโซอตาตาเตมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเรา เอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะทัตบังให้พิจา ร, รณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอ่อนชอบท่านปัญจวัคคีย์ก็ได้ปัญญาแล้วเมื่อท่านพิจารณาก็เกิดความเบื่อหน่ายรูปสมิงปีนิพพินติเบื่อหน่ายในรูปเวทนาญาปีนิพพินติเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาญาปินิพพินติเบื่อหน่ายในสัญญา สังขรเรือตัปินีเบติเบื่อหน่ยในสังขารวิญญาณเจ้มิงปีนีเบญนติเบื่อหน่ยในบินนานเบื่อน่ายแล้วก็วิราขาวิมุตติเอ่อก็หมดความกำหนักยินดีวิมุตตะจ้ามิงวิมุตตเจ้มีติแล้วก็พ้นแล้วจากทุกชานางหติท่านก็มียานเป็นรู้ว่าตัวของท่านสำเร็จแล้วอันนี้ก็เรียกว่าทุกขสัต ก็ได้แก่วความเกิดแก่เจ็บตายและสมุทัยศาสตร์คือตัณหาทั้งสามการมาตัตรฐาความใคร่ในกามเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นวิปวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะตัณหานี่ก็ต้องมันก็ละได้พระพิจารณาเห็นรูปเกิดเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วตัณหาก็ละออกไปเมื่อตัณหาละออกไปแล้ว ก็เป็นนิโรธาสัตว์นิโรธาสัตว์ก็คือว่าความดับทุกข์เพราะว่าพวกตัณหาเหล่านี้พาให้เกิดทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแ ก, เกม่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ดับแล้วนิโรธะมรรคสัตว์พระองค์ก็แสดงว่าเป็นหนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าเราฟัางแป๊บได้ปับ๊บเหมือนอย่างกับท่านปัญจวัคคี แต่ว่าเราก็ต้องทําดําเนินการไปอาจจะเป็นสิบชาติร้อยชาติอาจจะเป็นชาติเดียวหรืออาจจะเป็นยังไงก็ตามพาวิตโตเจริญให้มากเพลีกโตก็ทําให้มากอภินญายยะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานาัยะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทนี่ก็เรียกว่ามรรส เพราะฉะนั้นทุกริย์ท่านให้กําหนดรู้สมทุทัยสัจท่านให้กําหนดละนี่โรทัสสัจท่านให้กําหนดทําให้แจ่มมรรคสัจท่านกําหนดให้เจริญให้มากนี่เรียกว่าสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมนี้ไม่ใช่ว่ามีมาเฉพาะที่เราพากันทําอยู่นี่มาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปก็ตัดสรุปอริยสัจอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สอนให้สาวกของพระองค์นั้นดําเนินอริยสัจแล้วทั้งพระองค์ก็สอนให้ประชาชนคนลพนโลกให้พากันมามองดูตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่คือขนทางที่เราจะพากันเข้าใจว่าเมื่อเรา ท, ทําเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นหมู่คณะ เขาเรียกว่าคณะสุปฏิปโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงญยายาปฏิปโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิปฏิปโนปฏิบัติชอบยริงสาวกสังโฆเป็นสาวกอันดีของพระพุทธเจ้าอนุตตลังปุญญะเขตังโลกสาติเป็นนาบุญของโลกทั้งหลายสวัสดีสาธุ